สดชื่นไหมคนในเมืองชอบหน้าหนาวเพราะในเมืองมันร้อนทั้งวันทั้งคืนคนบ้านนอกไม่ค่อยชอบหรอกหน้าหนาวแห้งแล้งขาดแคลนน้ําอิจฉาคนกรุงเทพน้ําเยอะที่นี่น้ําไม่มีแล้วน้ํำซับน้ำอะไรหมดหนาวบ้านนอกมันไม่เหมือนกรุงเทพบ้านนอกนะ กลคืนหน า, าวเชาว้าๆนชะ้าหนาวนะพอแดดออกก็ร้อนเปรี้ยงเลย แ, ลแดดมันร้อนมวนอากาศมันเย็นร้อนๆเย็นเย็นคนกงเทมอยู่แต่ในห้องแอร์ใส่เสื้อหนาวใส่สูตรคุมความร้อนไว้ทั้งวันเลยชอบหน้าหนาวอุตส่าห์ขึ้นภูเขาไปสัมผัสความหนาว อยากสัมผัสจริงๆนะมาอยู่บ้านหลวงพ่อกคืนนะต้องแต่งตัวให้เหมือนพระนะเหมือนพระเหมือนฉี่หนาวเรื่องเลยเวลาพระจะผมผ้านะพระต้องพิจารณาฉี่บอดหมเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวป้องกันสัมผัสสัตว์เล็กสัตว์น้อยกัดป้องกันอุจารจะทำอะไรต้องพิจารณา แค่จะห่มผ้าจะนุ่งผ้าเนะี่ยต้องพิจารณาจะฉันอาหารต้องพิจารณาจะฉันยาก็พิจารณาอยู่ในเสนาสนานะเนี่ยก็ต้องพิจารณาพระพุทธเจ้าท่านละเอียดละออก็คือในชีวิตของพระนี่เวลาจะบริโภคปัจจัยสีต้องทําด้วยสติด้วยปัญญาของเราก็จะทําด้วยโลภะดูตัวไหนสวย เลือดเอาที่สวยๆมาใส่เน้นวิถีชีวิตของนักบวชนะเป็นวิถีชีวิตที่ขัดเกลววิถีชีวิตคราวาสเป็นวิถีชีวิตที่พอกพูนขึ้นมีได้มากขึ้นมากขึ้นนะเสื้อผ้าเยอะแยะเลยพระมีอยู่ชุดเดียวนะไปทั่วโลกแล้วพระได้เจ้าสร้างระบบของพระขึ้นมานะสอนเราถึง คำว่าเบสิกมินิมัมนิดเป็นเรื่องของเบสิกมินิมัมนีดจริงๆเลยวนะ่าคนเราดำเนิชีวิตยังไงนะใช้ทรัพยากรต่ำที่สุดแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้แล้วมีความสุขด้วยนะชีวิตที่สะสมพอกพูนไปเรื่อยๆไม่มีความสุข อ, อย่างตอนน้ำท่วมเราจะเห็นนะบางคนไม่กล้าทิ้งบ้านนะ เ้าบ้านไนว้น้ําท่วมลําบากไงก็ต้องอยู่ห่วงของห่วงสมบัติยกเป็นน้ําจะท่วมถึงขนาดจะตายแล้วอะไรเนะี่ยถือจะยอมทิ้งสุดท้ายก็จะห่วงของสที่ห่วงที่สุดก็คือชีวิตตัวเองแต่ยังชีวิตยังอยู่รอดอยู่ก็ยังห่วงของอื่นๆต่อไปอีกอชีวิตพรามจะโลงแลนะ้วไม่มีอะไรอยากไปไหนก็ไปได้เนะี่ย หลวงพ่อนะไปไหนนะใช้เวลาเตรียมตัวไม่นานก็ไปได้แล้ ว, พวเพื่อเช้าทำตัวอย่างให้พวกเราดูนะพวกเราไม่ใช่พระไม่ต้องทำตัวขนาดพระหรอกถ้าทำตัวเท่าที่จำเป็นนะดูว่าอะไรเป็นความจำเป็นจริงๆอะไรเป็นความอยากแยกกันให้ออกนะความจำเป็นนะต้องหาทางตอบส น, นองความอยากต้องจัดการมันต้องละ ยิ่ถ้าอยากนิพพานนะอุตส่าห์ทำบุญอธิษฐานทุกทีเลยนิพพานอปจโยโหตุต้องทำเสียอย่างนี้ด้วยได้ดูขลังนิพพานอปจโยโหตุทำอะไรก็หวังนิพพานนะแต่ไม่เคยขัดเกลามันไปไม่ไหวหรอกนิพพานต้องไปด้วยตัวเบาเนะด้วยใจที่เบาๆไปด้วยของพลุงพลังไม่ไหวน แค่ยึดในกายในใจของเราเองนะก็ยังไปไม่ไหวเลยจะยึดครอบครัวยึดลูกยึดเมียยึดทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องพลุงพลังเยอะก็ไปยากยงั้นพวกเราในเพศของฆราวาสเนี่ยหวังว่าจะนิพพานเนี่ยมันฝันไกลไปเอาแค่มรรคผลก็พอมรรคผลกับนิพพานไม่เท่ากันนะเอามรรคผลนะโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสคาทา สกาคามีมากสกทาคามีผลอันนี้ไม่เกินวิสัยคารวะก็ทําได้สมัยพุทธกาลคารวะเป็นพระริยะระดับต้นๆเนีก็เยอะแยะไประดับพระนาคาก็มีอยู่หลายท่านแต่ไม่มากทําไมเป็นพระนาคายากต้องละกามกามก็คือความติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส พวกเราติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสนะเราก็เลยสะสมพอกผุนทรัพย์สมบัติอะไรเครื่องพลุงพลังต่างๆเยอะแยะไปหมดนะยันคารวานะทำให้ถึงพระนาคานียากยากมากเลยไม่เทศของคารวะไม่ค่อยเหมาะแต่ขั้นโสดาสัตาถคานี่ทำได้อยู่แต่คารวะบรรลุพระอรหันต์ก็มีไม่ใช่ไม่มีมีหลายท่านด้วยนะแต่ก็นับตัวได้มีไม่มาก ก็ห ล, หลายองค์อยู่พระเจ้าสุดโทธนะก็บรรู้พระอราหันต์ในเพศของค า, า, า, ารวะศสีอาหมานบรรู้พระอราหันต์ในเพศของคารวะพาหิยะเป็นพระอรหันต์แต่พาหิยะเป็นนักบวชนอกศาสนานอกศาสนาพุทธก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่มีน้อยน้ยนียน่นนนพวกเราอยากเป็นพระอราหันต์อยาก นิพพานมันก็ดีนะแต่ว่ามันเกินจริงไปนิดนึงตอนนี้เรามาตั้งเป้าว่าทำไงจะเป็นพระโสดาบันให้ได้ได้โสดาแล้วทำไงจะเป็นสกทาคาให้ได้ตั้งตรงนี้ก่อนถ้าถึงอนาคาต้องปรับปรุงวิถีชีวิตบางอย่างวิถีชีวิตอย่างทุกวันนี้ไม่เหมา ะ, ะการที่จะทำพระอนาคามีมักถ้าอยากได้อนาคานะต้องถือศีลแปด สิ่งแต่เนี่จะเป็นการฝึกตัวเองให้ออกจากอำนาจของกามนะอย่างไม่กินข้าวเย็นนี่ต้องต่อสู้นะยินะ่งต้องไปอยู่กับคนที่เข้ากินข้าวเย็นอ๊ย้ยลําบากนะลําบากเนี่ยฆราวาสนะมีความต้องการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะก็เที่ยวสแสวงหาลนะ้วเพศของพระของนักบวชมันไม่มีทางจะสแสวงหานะไม่มี ต้องอดทนเรอเวลาเกิดกิเลสนะเกิดกามเกิดกามก็อยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายต้องทนหรอครูบาอจารย์เคยเล่านะีสมัยหนึ่งผ้าขาดแคลนสมัยสงครามโลกอยากได้จีวรสักผืนหนึ่งนะไม่มีหรอกปะแล้วปาอีกอยู่เนี่ยปาจนกระทั่งรูปร่างมันไม่เหมือนเดิมมันหนาไปเลยกนะ็อยู่อย่างนั้นใช้อย่างนั้นเพราะมันไม่มี จะกินก็ไม่มีจะกินนะอยากสัมผัสที่ดีมันก็ไม่มีอย่างที่ต้องการอย่างอาหารเนี่ยพระเนี่ยมีอาหารอยู่สองสามพวกแนละ้วพวกนึงอาหารไม่ถูกปากอาหารไม่ถูกปากคือไม่มีเลยนะว่างเปล่าอาหารไม่ถูกปากจริงๆนะไม่เหมือนโยมนะอาหารไม่ถูกปากความจริงคืออาหารไม่ถูกใจ <Yeah. S 2> หรืออย่างพระสารีบุตรท่านสอนเน้น เน้นของท่านมาบวชท่านก็สอนบอกเป็นนักบวชนะอยากได้อาหารร้อนๆนนะันมันก็ได้เย็นๆอยากได้ของเย็นก็จะได้ของร้อนๆมันเป็นเรื่องจริงเลยอันเนี้ยอยากไปไหนมาไหนนะโอยกำลังร้อนจัดๆนะไปที่ไหนเนี่ยขาต้องเสิร์ฟน้ำชาร้อนๆก่อนร้อนจัดบางวันนนาหนานะอยู่ในห้องประชุมนั่งเทศนะเอาน้ำแข็งมาถวายสดชื่นสดชื่นเนาะ อยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็นอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนใช่是是ันข้าวมีข้าวร้อนๆมันไม่มนะีอาหารให้อร่อยให้วิเศษแค่ไหนนะผสมใส่ลงไปในบาตแล้วก็งั้นๆไม่ค่อยน่ากินออกเหมือนถังข้าวหมูนะยิ่งเพศของพระนี่นะมันขัดเกลว์หรือยอย่างเรื่องกรรมใช่ไหมพระไม่ได้เลยคราวาดญวกบุนในกรรมอย่างมากเขาก็ด่าว่าเท่าหัวงูอะไรเงี้ยไป คนถือเป็นเกียรติยศภูมิใจอย่างขุนแผนนะตามจริงผู้ชายคนไหนเคยฝ่ยฝันอยากเท่อย่างขุนแผนมันม่งมีไหมยกมือให้ดูสิมีอินูเยอะๆมียกอยู่คนหนึ่งเ <c oughs> หมือนมันกล้าหาญมากเลยมันไม่กลัวโดนสอม <c oughs> เพศของกราวาสเนี่ยนะภาวนาที่จะสู้กามเนี่ยยากเพราะมันสนองกิเลสตลอดเวลานะเพศของนักบวชเนี่ย มีกามเกิดขึ้นมีกามราคะเกิดขึ้นคือมีทุกข์เกิดขึ้นทุกข์แน่นอนเพราะไม่มีการตอบสนองดังนั้นโอกาสที่จะเห็นโทษของกามเนี่ยมีราวาดเห็นโทษของกามยากมากมันแพ้กันในขั้นปฏิบัติขั้นสูงนี่แหนะแต่ในขั้นโสดาสกตาคานะัไม่แพ้กันหรอกคราวาดก็ทําได้ขั้นโสดาเนี่ยมันแค่การล้างความเห็นผิดเท่านั้นเองยังไม่ได้ละกิเลสอะไรนั่งหนาหรอก แค่ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรพวกเรารู้สึกไม่ในนี้มีเราอยู่คนนึงเราคนนี้ก็เราตอนเด็กๆ ก, ก็เป็นเราคนเดิมนี่แหละเรามีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ตัวนี้คือสักกายทิฐิเรามีความเห็นว่ามีตัวมีตนอยู่พระโสดาบันนะสามารถล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เพราะอะไรเพราะท่านดูลงมาในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือรูปนามกายใจขันหานี้เอง ดูรูปตัวนามดูกายดูใจดูธาตุดูขันดูไปเรื่อยดูไปแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละรูปแต่ละนามนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่เป็นอมตะถาวรอยู่สักอย่างเดียวเลยอย่างร่างกายเนี่ยดูในร่างกายเดี๋ยวร่างกายก็หายใจออกแล้วก็ดับไปชีวิตที่หายใจออกก็ตายไปแล้วเกิดชีวิตที่หายใจเข้ามีร่างกายหายใจเข้าอยู่ไม่นานก็ตายไปก็เกิดร่างกายหายใจออกขึ้นมาใหม่นะ ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็หมุนไปเรื่อยนะร่างกายเรานั่งอยู่ตรงนี้นะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันคือนั่งไม่นานก็เปลี่ยนอิริยาบถไปยืนชีวิตที่นั่งนั้นก็จบสิ้นไปแล้วตายไปแล้วนะเกิดแล้วดับไปแล้วดูไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นว่าเออมีแต่เกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายก็เหมือนกันนะมีแต่เกิดแล้วก็ดับนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อเราขยับซะมันก็หายอะไรเงี้ย เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเร็งเจ็บมากหายไหมหายเจ็บได้ไหมได้หายหมดสุดท้ายคนเป็นมะเร็งสุดท้ายก็หายเจ็บนะเพราะฉะนั้นความเจ็บพวกไม่เที่ยงในการที่เรามีสติคอยดูนะ อ, อร่างกายก็เกิดแล้วก็ดับเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดแล้วก็ดับ สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเกิดแล้วก็ดับเช่นความโลภเรามีสติรู้ทันจิตมันโลภเพื่มมาเรารู้ทันแล้วก็เห็นในความร่มอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเราก็เห็นเองความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใจลอยไปเรารู้ตัวเป็นเนี่ยพอใจลอยไปปุ๊บเรารู้สึกขึ้นมาว่าเมื่อกี้นี่ใจลอยนะความใจลอยก็ดับไปเกิดความรู้สึกตัวขึ้นแทน ตัวนี้ยากนิดหนึ่งถ้าไม่เคยรู้สึกตัวนะไม่เคยรู้สึกตัวเนี่ยจิตมันหลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโอกาสที่จะรู้ว่าจิตหลงเนี่ยโอกาสที่จะเห็นจิตหลงเกิดดับเนี่ยยากเพราะมันหลงอยู่ตลอดมีแต่หลงแล้วต่อด้วยหลงแล้วต่อด้วยหลงแล้วต่อด้วยหลงนั่นที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเรานะตั้งแต่เริ่มต้นสอนมาแต่แรกๆสอนให้รู้รู้ไม่ใช่รู้เพื่อจะรู้ตลอดเวลา แต่รู้เพื่อจะขั้นชีวิตที่หลงให้ขาดออกเป็นช่วงๆงั้นเราไม่ได้รู้เพื่อจะรู้ตลอดเวลานะแต่เรารู้เพื่อขั้นชีวิตที่หลงให้ขาดเป็นช่วงๆแต่เดิมชีวิตที่หลงนี่มีแต่หลงหลงหลงหลงหลมันมองไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกนี่ถ้าเราหลงไปแล้วเราก็มีสติรู้ขึ้นมาจะเห็นเลยชีวิตที่หลงนั้นดับไปแล้วเลยชีวิตที่รู้สึกตัวเกิดขึ้นแทน รู้สึกตัวอยู่ไม่นานก็หลงอีกเห็นไหมความรู้สึกตัวนี้ก็ไม่เที่ยงกลายเป็นหลงอีกแล้วพอหลงแล้วเกิดรู้สึกตัวใหม่เออความหลงก็ไม่เที่ยงงั้นหลงก็ไม่เที่ยงรู้ก็ไม่เที่ยงนะหลงก็บังคับไม่ได้รู้ก็บังคับไม่ได้เนี่ยเรียกว่าเรามีปัญญายังไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้หลงเลยนะไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้มีกิเลสไม่ใช่ไม่ได้ภาวนาเพื่อความสุขความดีนะไม่ได้ภาวนาเพื่อความสงบ แต่เรามีความสงบมาขั้นเน่เพื่อจะได้เห็นว่าชีวิตที่ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงมีความดีมาขัาน้นเพื่อจะได้เห็นว่าชีวิต趣趣趣ที่ชั่วก็ไม่เที่ยงมีความสุขมาขัานะ้นเพื่อจะเห็นว่าชีวิตที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงนี่จะเห็นต้องเรียนสิ่งที่เป็นคู่คู่กันอย่างนี้เราไม่ได้ภาวนาเอาดีเอาสุขเอาสงบเพราะดีไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยง แต่เราต้องฝึกจิตให้มันมีความดีความสุขความสงบขึ้นมามันจะเกิดขึ้นมาเป็นคราวๆนะเพราะความดีเกิดขึ้นเราก็จะเห็นเลยความชั่วมันไม่เที่ยงความดีอยู่ชั่วคราวความชั่วก็เข้ามาไล่มือนกันความดีก็ไม่เที่ยงความสุขก็เหมือนกันเรามีความสุขไหมเราจมอยู่ในความทุกข์ตลอดเวลานะเวลาทุกข์นานๆรู้สึกชีวิตคงที่หรือทุกข์ตลอดมีความสุขแทรกเข้ามาเป็นช่วงๆจะเห็นความทุกข์ก็ไม่เที่ยง แล้วก็ความสุขก็อยู่ไม่นานก็หายในความสุขก็ไม่เทนะี่ยงกูศลก็ไม่เที่ยงอกูศนก็ไม่เที่ยงเราจะเรียนจนกระทั่งเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิน้นการที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ <S 2> <S 2> ในธาตุในขันในกายของในใจของเราเกิดแล้วดับทั้งสินนะ้นยถึงจุดหนึ่งจิตมันจะมีปัญญามันจะสรุปขึ้นมาปิ้งขึ้นมาในฉับพลันเลย เวลาเรียนรู้นะเรียนรู้นานเรียนรู้แรมเดือนแรมปีปีแล้วปีเล่าที่จะเฝ้ารู้ว่าธาตุขันทั้งหลายแต่ละขันแต่ละขันนะ่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ในเวลาที่จิตจะเข้าใจความเป็นจริงนะเข้าใจในฉับพลันเข้าใจในแวบเดียวเท่านั้นเองมันเหมือนฟั่งเส้นสุดท้ายเคยฟังนิยายไหมเรื่องลาเจ้าของลาเนะีเอาฟังใส่หลังลาไปเรื่อยคิดว่ามันยังทนได้ทนได้ใส่ไปเรื่อย ฟางเส้นสุดท้ายใส่เข้าไปลาหลังเดยงไปเลยเดินไม่ได้ล้การภาวนานี้เหมือนกันนะเราสะสมสะสมศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยโดยเฉพาะตัวปัญญาแต่ปัญญาจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีศีลและสมาธิเป็นเครื่องรองรับนะตัวสุดท้ายที่จะทําให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์ก็คือตัวปัญญา น, นั่นเองพระเจ้าสอนบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา แต่ตัวปัญญาลอยๆไม่มีหรอกเกิดไม่ได้ก็ต้องอาศัยศีลอาศัยสมัครทเป็นบาดเป็นฐานต่อเติมขึ้นไปจนเกิดปัญญาปัญญาก็คือการเข้าใจความเป็นจริงนะในวันในธาตุในขันในกายในใจของเรานี่มีแต่สิ่งที่เกิดเราดับทั้งสิน้นความเข้าใจน่าจะเกิดในพริบตาเดียวแต่การเรียนรู้นะั้นเรียนรู้นานการปฏิบัติธรรมนั้นมันคล้ายๆเราอ่านหนังสือซึ่งอ่านยากมากๆสักเล่มหนึ่งอ่านเที่ยวแรกไม่รู้เรื่อง อ่านเที่ยวที่สองเที่ยวที่สามเที่ยวที่ ส, สี่ในขณะที่จะเกิดความเข้าใจนะั้นเข้าใจในแว็บเดี๋ยวเธอเนี่ยอ๋อแค่นี้เองเวลาเราคิดอะไรยากๆเราเคยรู้สึกไหมอ๋อแค่นี้เองอะตัวที่มันอ๋อขึ้มานั่นเงมันคือการเกิดของอริยมรรคมันคือความเข้าใจที่เข้าใจแจม่มแจ้งนะปัญญาที่เข้าใจแจม่มแจ้งเนี่ยเรียกว่าเป็นโลกุตระปัญญานะเกิดในอริยมรรค งั society, guard, so ้นปัญญาที่พวกเรามีนี่ยังเป็นโลกิยาปัญญาทั้งสิ้นเลยนะแม้จะเป็นวิปัสนาปัญญาก็ยังเป็นโลกิยะปัญญาอยู่ยังเป็นปัญญาฝ่ายที่เกิดที่ดับอยู่แต่ยังไม่แจ้งโลกุตระปัญญาไม่แจ้งอริยสัจจริงคระถ้าแจ้งอริยสัจนัรู้ทุกแจมแจ้งนะละสมุทัยในขณะนั้นละสมุทัยในขณะนั้นแจ้งนิโรธในขณะนั้นแจ้งนิโรธในขณะนั้นเกิดอริยมรรคในขณะนั้น ของเรายัางไม่ถึงตรงนั้นไม่เป็นไรค่อยฝึกเอาค่อยเรียนรู้ความจริงของกายค่อยเรียนรู้ความจริงของใจเราไปเรื่อยดูในธาตุในขันนี้แหละ s. <S จะเห็นว่าทุวอย่างมันชั่วคราวไปหมดเลยร่างกายที่หายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนก็ชั่วคราวร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งก็เป็นของชั่วคราวนะไม่ใช่สิ่งเดียวรวด ความรู้สึกสุข kind of ความรู้สึกทุกข์ในกายก็เป็นของชั่วคราวไม่ใช่สิ่งเดียวรวดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวไม่ใช่สิ่งเดียวรวดอย่างเรามีความทุกข์มากๆอกหักเนี่ยนะทุกข์มากแต่ถึงยังไงไม่ต้องทำอะไรมันก็หายความทุกข์เนี่ยเพราะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเห็นนะเห็นทุกอย่างมันเกิดระดับทั้งสิ้นกระทั่งตัวจิตเอง จิตเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่จมูกเดี๋ยวเกิดที่ลิ้นเดี๋ยวเกิดที่กายเดี๋ยวเกิดที่ใจหมุนเวียนกันไปจิตคืออะไรจิตคือความรับรู้ความรับรู้อารมณ์ถ้ารับรู้อารมณ์ทางตาเรียกจักขวิญญาณจิตรับรู้อารมณ์ทางหูเรียกโสตะวิญญาณจิตก็คือจิตทางนั้นแหละแต่จิตที่รับรู้อารมณ์ทางทวารต่างๆถ้าเรามีสติมีปัญญามากพอเราก็จะเห็นในจิตที่เกิดที่ตาอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับ จิตที่เกิดที่หูอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่ใจคือจิตที่ไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนั้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับในที่สุดปัญญาจแจ้งก็จะรู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับแม้ไม่มีจิตที่เป็นอมตะถาวรไม่มีจิตที่เที่ยงอย่างบางคนไปสอนว่าจิตไม่เกิดไม่ดับนั่นเป็นคําสอนของพวกมิจฉาทิฏฐิแท้ๆเลยแท้จริงแล้วจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าสอนจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืน นะพระ เ, เจ้าสอนอย่างนี้นะรุ่นหลังๆก็มาสอนว่าจิตเที่ยงอะไรเงี้ยเหลวไหลมากเลยเราลองมาทดสอบดูว่าจิตเกิดแล้วดับจริงไหมพวกเราลองมองพระพุทธรูปนะมององค์ใหญ่มองหน้าท่านนะเราสังเกตไหมว่าเรามองเห็นชัดแวบเดียวแล้วมันจะเบลอเบไปเราต้องตั้งใจมองใหม่ม่ใช่ชัดอีกแวบหนึ่งแล้วเบลอไปลองดูซิจริงไหม รู้สึกไหมเวลามองนะั้มันจะชัดอยู่แว บ, บเดียวนะตรงที่มันชัดนะั่นะมันมีจักขคุวิญญาณจิตที่ชัดเจนขึ้นมานะเสร็จแล้วจิตจะเริ่มไปคิดจิตจะเริ่มไปคิดนะตรงที่จิตเริ่มไหลไปคิดนะภาพที่เรามองเห็นนะ่ะจะเบลอลงไปในความเป็นจริงเราไม่ได้เห็นภาพและ้วล่ะแต่อศัยสัญญาคือความจำภาพได้นะมันยังตรึงอยู่ในสมองเราอยู่ เนี่ยตึงภาพอยู่งั้นแต่ภาพนั้นจะเบลอๆไปจุดที่มองเห็นชัดๆมีแว บ, บเดียวเท่านั้นเองเนี่ยเวลาจากขรูวิญญาณจิตเกิดนนะัเกิดทีละขณะเดียวเท่านั้นเองเนี่ยดูอย่างนี้นะทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นอมตะถาวรการที่เราเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นด้วยใจนะใจยอมรับความจริง ตอนนี้ใจยังไม่ยอมรับความจริงแล้วก็พามันดูไปพาดูลงไปในกายก็เห็นว่ากายนี้ก็ชั่วคราวพาดูในเวทนาก็เห็นเวทนาชั่วคราวพาดูในสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็เห็นความปรุงดีปรุงชั่วเป็นของชั่วคราวรู้ทันจิตไปจิตเกิดที่ตาที่หูที่ใจก็เป็นของชั่วคราว สุดท้ายตอนที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยมันจะปิ้งขึ้นมาเลี่ยสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนถาวรเลยล้างความเห็นผิดว่ามีสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนถาวรได้นะเมื่อล้างความเห็นผิดว่าสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรมีอยู่นะไม่มีละรู้แล้วว่าไม่มีสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเวลาเราดูลงในธาตุในขันในกายในใจนะจะรู้สึกว่ากลวงๆจะว่างเปล่าจากความมีตัวมีตนนะ เพาั้นพระโสดาบันเนี่ยพอเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยพอมย้อนมาดูกายดูใจเนี่ยจะเห็นว่ากลวงๆนะว่างว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนว่างได้ด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ว่างด้วยการน้อมใจให้ว่างเพระฉั้นอยู่ๆน้อมใจให้ว่างใช้ไม่ได้นะพอเผลอเมื่อไหร่ไม่ได้น้อมเมื่อไหร่มันก็มีตัวมีตนขึ้นมาอีกแต่การที่เราป้อนข้อมูลให้จิต ด, ดูซ้าแล้วซ้ําเล่าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าให้มันดูแต่ของที่เกิดแล้วดับไปเรื่อย ถึงจุดหนึ่งจิตจะรู้เลยว่ารูปนี้เกิดแล้วก็ดับเวทนานี้เกิดแล้วก็ดับสัญญาสังขารวิญญาณนี้มีแต่เกิดแล้วก็ดับในขันห้ามีแต่ของเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่เป็นอมตะไม่มีอะไรถาวร น, นะงั้นความเห็นผิดต่างๆนานาก็จะหายไปยศ ส, สตาทิฏฐิหายไป ส, สตาทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวร น, นะคิดว่าพอเราตาย ร่างกายนี้ตายปุ๊บเนี่ยนะจิตจะออกจากร่างจิตนี้แหละถาวรร่างกายไม่ถาวรแต่จิตเป็นของถาวพรพอตายปุ๊บจิตจะออกจากร่างไปเกิดใหม่ใครเด็กรุ่นนี้รู้จักไหมปู่เสฉวนใครรู้จักบ้างใครเคยเห็นไหมใครเคยเล่นบ้างมีพวกทําบาปอากุสนหลวงพ่อด้วยแต่ะคนหนึ่งนะก็เคยชอบมากเลยพยายามนะมันเคยถึงขนาดสงสัยนะมัน แปลงร่างถอดร่างได้ค่อยๆดึงมันออกมานะเอรข้างในเหมือนหนอนมาตัวนิ่มๆพอเอาออกมามันก็หนีกลับเข้าไปไหมพวกมิจฉาทิฏฐิรู้สึกว่าจิตมันออกจากร่างได้เหมือนไอปูนี่แหละเปลี่ยนเปลือกพอร่างกายนี้ตายนะจิตออกจากร่างไปหาร่างกายใหม่อยู่แล้วร่างกายไม่เที่ยงแต่จิตเที่ยงนี่พวกมิจฉาทิฏฐินะแล้วอย่างนี้เยอะ อยนี้ยชาวพุทธที่แฝงป้ายว่าเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่เชื่อแบบนี้เชื่อแบบมิจฉาทิฏฐิชนิดศัสตทิฏฐิส่วนอีกพวกหนึ่งนะส่วนใหญ่พวกนักฟิสิก์คิดว่าเดี๋ยวนี้เรามีอยู่จริงตัวเรามีอยู่จริงๆนะเราอะมีแต่ต่อไปตายแล้วเรานหายไปเลยเราศูนยญพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุดเฉททิฏฐิพวกนี้พวกนี้หลงผิดไม่รู้จริงในอนาคต พวกไม่รู้จริงในอดีตกนะ็คือพวกอเหตุกะทิฏฐิสิ่งต่างๆไม่มีเหตุเกิดขึ้นมานะพวกหลงผิดมีหลายชนิดนะพวกอกิริยาทิฏฐิไม่มีการกระทําพวกนัตถิกาทิฏฐิไม่มีอะไรเลยอย่างบางคนก็สอนกันนะโลกนี้ไม่มีอะไรเลยทําใจว่างๆศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องทํานะไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็นีนะ่หลุดผลพวกนี้เป็นมิจาทิฏฐินะ ไม่ต้องทําอะไรเลยนะพวกอกิริยทิฏฐิไม่ต้องทําลืมไปว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันถึงจะมีผลนี่อยู่ๆเขบอกไม่ยึดถือผลแล้วเขบอกไม่ต้องทําเหตุอันี้ก็มิชาทิฏฐิยันพวกเราต้องระมัดระวังนะมิชาทิฏฐิเต็มพระพุทธศาสนาเลยทุกวันเนี้ยันเราหัดภาวนานะม่แยกธาตุแยกขันธ์ดูไปขันธ์แต่ละขันธ์เกิดแล้ดับขันธ์แต่ละขันธ์เกิดแล้ดับ ให้พวกเรามาหัดดูธาตุดูขันนะดูกายดูใจของตนเองไปร่างกายนี้นะร่างกายหายใจออกก็อยู่ชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวนะร่างกายหยุดนิ่งร่างกายเคลื่อนไหวก็ชั่วคราวความสุขในร่างกายก็ชั่วคราวความทุกข์ในร่างกายก็ชั่วคราวความสุขในใจความทุกข์ในใจความเฉยๆในใจก็ชั่วคราว กุศลในใจก็ชั่วคราวกุศลโลบปลดลงในใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ชั่วคราวทั้งหมดจิตเองก็ชั่วคราวจิตที่เกิดที่ตาก็อยู่ชั่วคราวจิตที่เกิดที่หูก็ชั่วคราวจิตที่เกิดทางใจคือจิตที่ไปคิดก็อยู่ชั่วคราวอย่างพวกเรานั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยสังเกตไหมบางครั้งก็มองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมบางครั้งก็ตั้งใจฟังขณะที่เห็นหน้าหลวงพ่อชัดเนี่ยจิตเกิดที่ตาขณะที่ตั้งใจฟังนะจิตไปเกิดที่หู แต่ฟังเสร็จแล้วต้องคิดสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวเราฟังอย่างเดียวเนี่ยจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะสิ่งที่หูรับได้นะคือคลื่นเสียงสูงสู ง, ส ง, สงต่ําๆเท่า น, นั้นเองใจต่างหากเราเป็นคนแปลสัญญาเป็นคนแปลความหมายงั้นที่เรารู้เรื่องเนี่ยนะอาศัยการทำงานทางใจไม่ใช่อานาการทำงานทางหูสังเกตให้ดีขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศนี้บางเวลาก็มองหน้าหลวงพ่อบางเวลาก็ฟัง ฟังเสร็จแล้วก็สลับไปคิดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดนี่แหละจิตมันเกิดดับอยู่จิตมันเกิดที่ตาก็มามองหลวงพ่อจิตไปเกิดที่หูก็มาตั้งใจฟังจิตไปเกิดที่ใจก็ไปคิดสลับไปสลับมานะจิตเราเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร แ, แล้วแต่เราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นเราคิดว่าจิตนี่เที่ยงเรามาหัดรู้หัดดูไปนะถึงจุดหนึงปัญญามันปิ๊งขึ้นมา มันปิ้งในฉับพลันนะในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองปิ้งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดเป็นอมตะถาวรถ้าเราปิ้งขึ้นมาอย่างนี้ได้ก็จะเป็นพระโสดาบันถัดจากนั้นเนี่ยนะเราจะมีชีวิตที่ประหลาดมันจะรู้สึกว่าไม่มีตัวมีตนนะว่างเปล่าจากเป็นความเป็นตัวตนแต่ความยึดถือยังมีอยู่ไม่เห็นผิดแต่ยังยึดถืออยู่เป็นเรื่องประหลาดนะคิดเนะ่ยคิดยากมากเลยมันเป็นไปได้ยังไง มันก็คล้ายๆเรารู้ทันแล้วนะว่าเราไปยืมของเข้ามาใช้แต่ของนี้เราชอบเราไม่ยอมคืนเจ้าของพระโสดาบันเนี่ยรู้แล้วว่าธาตุขันนี้เรายืมธรรมชาติมาใช้ไม่ใช่ของเราแต่ว่าหวงไม่คืนเจ้าของยังไม่ยอมคืนพระอรหันต์ที่ยอมคืนธาตุขันให้ธรรมชาติสลัดคืนเรียกปฏิเนสักขะสลัดคืนให้ธรรมชาติไป งั้นพวกเรามาหัดรู้หัดดูให้มากจนถึงจุดหนึ่งจิตรู้ความจริงสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นดับไม่มีตัวตนถาวรได้เป็นพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้ในอนาคตถึงยังไงก็ไม่เกินเจชาติบางคนชาติเดียวบางคนนิใช้เวลาสามชาติเลยใช้เวลาไม่มากนะนะก็จะต้องบรรลุพระอรหรันต์ื่อนเป็นฆราวาสนะตั้งเป้าอย่างน้อยชาตินี้ขอเป็นโสดาบันให้ได้ อยากเป็นโสดาบันไปทําบุญใส่บาตรอธิษฐานจะประคุณขอให้เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นหรอกเพรโง่ทําเหตุกับผลไม่ตรงกันไปใส่บาตรนะั้นน่าทําทานก็ลดความตรหนีนั่นได้ความดีคือไม่ขี้เหนียวนะไม่ขี้เกียจเพราต้องลุกมาแต่เช้าอย่าเงี้ยไม่ได้ทําให้นิพพานนะไม่ได้ทําให้ได้โสดาอยากได้โสดาก็ต้องเจริญปัญญาให้ถูกนะแยกธาตุแยกขันดูธา ด, ดูขันแต่ละตัวมันทํางานไป แต่ว่าอยู่ๆจะ ม, มีมีปัญญานั้นไม่ได้ต้องมีทานมีศีลมีสมาธินะเป็นเครื่องขัดเกลาตนเองมาเป็นลําดับลําดับเพราะฉะนั้นคุณงามความดีทั้งหลายนั้นสํารวจตัวเองดูความดีอะไรยังไม่สร้างอากุศลอะไรยังไม่ละกุศลอะไรยังไม่เจริญสํารวจนะแล้วก็พัฒนาขึ้นไปจนสุดท้ายพัฒนาตัวปัญญาขึ้นมาได้อย่างพวกเราเนี่ยก็ถือว่าพัฒนามาพอสมควรแล้วถึงระดับที่จะมาพัฒนาปัญญาแล้ว แต่บางคนศีลยังกระพร้องกับแพงอยู่นะคารวาสนะีศีลกระพร้องกับแพงทั้งนั้นอะ่ะหาศีลบริสุทธิ์หายากถือยากเนะีงั้นเราสํารวจนะทำไงศีลเราจะดีขึ้นทําไงจิตใจเราจะตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวปล่อยจิตเตลิดเปิดเ ป, ดเปิงทั้งวันไม่ดีอย่าปล่อยใจให้กิเลสมายุ่วเอาไปตลอดเวลานะอย่างหนังโทรทัศน์หนังหลังข่าวนะไปดูมาเลยเสียเวลาไร้สาระนะ ถ้าอยากเอาไว้คุยกับเพื่อนนะไม่ให้ตกรุ่นหลวงพ่อก็ใช้วิธีนี้หลวงพ่อไปซื้อหนังสือมามันมีขายนี่นิยายเรื่องนี้นังสือมันจะมีออกมานะไปอ่านมันให้จบแล้วจะขี้เกียจ ด, ดูหนังไม่ดูหรอกนะไม่เห็นมีอะไรเลยไร้สาระเวลาใครเขาคุยกันเราคุยกับเขาได้นะแค่นั้นพอแล้วแค่นั้นก็เสียเวลาพอละะแต่อยู่กับโลกนะก็มี participate กับเขาบ้างไม่ใช่หนีโลกไปเลย นั่นอะไรที่เสียเวลาตัดทิ้งไปขัดเกลาตัวเองนะลดละไปเลยนะาไปทานข้าวทานแต่พอดีพอดีทานเยอะไม่ลดละ